أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص و و ل و س ل م على نبينا م ح م د وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا إ ل ا م ا إ ت ن ا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم أ ب ِ ش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ي ر ل ي أ م ر ي أ ั ل ฮ ق ลอา ة วดะ ن ا ن ي ิสานี ولي اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا متقر لنا وترحمنا ل ن كوننا من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أ ر ن ا رشدا الحمد لله وني سور ุตุล أ ق ا ف آيات ที สิบแปดสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะครับเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราจะอ่านเลยดีกวา่าเป็นอายัดที่มีความต่อเนื่องจากรอบที่แล้วสิบเจ็ดนะครับสองห้าห้าสี่นะสองห้าห้าสีอูซุบิลลอฮมินัชชัยตอนิร์จี والذي قال َ لوالديه ِِ أ ُ ف ِ ل َ ك ُ م َ ا أتَعِدَانِي أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين อินน و َวะฎาลลอฮฺผูกะฟَายิ่ง قول มา هذا อิลลา أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمة من قد خ ل ت قد خ َ ل ت من قبلهم من الجن و ا ل ِ ن س إنهم كانوا خاسرين ول َِ ك ل درجات َ مما ِ عملوا ِ وليوفينهم ُْ أعمالهم ُ وهم َُ لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي ح َ ي َ ا ت ِ ك ُ م ง الدُّنْيَا واستمتع بها فاليوم ت ج َ و ن َ عذاب َ ب ่มาคุณทุมตสตบิรุนในในในในในในในในในในในในใน อัลฮัมดุลิลลห์สี่อายัดแตว่าอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มอายัดที่จบตอนแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลูกและคนที่เป็นพ่อแม่ตอนที่แล้วพูดถึงพ่อแม่นะครับการทำดีต่อพ่อแม่ลูกที่เกิดมาอยู่ในท้อง อยู่ในการดูแลของคนเป็นพ่อเป็นแม่พอตโตขึ้นมาก็มีดูอาโดยเฉพาะคนที่มีอายุถึงสี่สิบปีพอมีอายุถึงสี่สิบเนี่ยมนุษย์เราก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาแล้วเริ่มจะเป็นลงขาลงดังนั้นจึงต้องมีการขอดูอาจากอัลลอส์ س ب านะ ه และเาลาตัวอย่างของรอบที่แล้วเนี่เป็นตัวอย่างของ คนที่มีความกตัญญูต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ในขณะที่วันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นภาพตรงกันข้ามเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่พยายามที่จะเรียกร้องพยายามที่จะเลี้ยงลูกพยายามที่จะบอกลูกให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه ะ ع ا ل แต่ลูก คนนี้กลับดื้อกับพ่อแม่ทั้งสองคนเราบอกแล้วว่าเหตุที่สุรษนี้นะครับมีการพูดถึงพ่อแม่ด้วยเนี่ยแล้วก็ลูกที่เชื่อฟังกับลูกที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยก็เหมือนกับที่ท่านนาบีสุลตานีนะครับพยายามเชิญชวนพวกมุชลิมอัลลอฮฺ Allah สุบฮานาวาตัลลาหพยายามเรียกร้องให้มนุษย์นั้นศรัทธาต่อพระองค์ถ้าพ่อแม่มีความรักให้กับลูกอย่างมากมายมหาศาล อัลลอฮ์ก็มีความรักให้กับบ่าวของพระองค์มากกว่าที่พ่อแม่มีความรักให้กับลูกของตัวเองด้ซ้าไปถ้าเราเป็นลูกมนุษย์ปกติธรรมดาถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่มีใครหรอกที่อัตันยูต่อหรือเนรคุณต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าโดยการที่พ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาให้ทุกอย่างกับเรามาเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อยากจะทาดีตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เรา นี่คือฟิตระของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ในขณะที่เราทำดีต่อพ่อแม่ของเราด้วยฟิตระของเราเหตุใดเราจึงไม่ทำดีต่อตอัลลอฮ์แตาลาบ้างทางั้งทั้งที่ความรักของอัลลอห์ที่มีต่อเรานั้นมากกว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราอีกตังหากมาชอาลลอฮ์ Ma อันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับวันนี้เราจะมาดูลูก ที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ว่าสภาพเป็น์ยังไง Allah alahturab ว่ายังไงวัแลดีกล่าวลิวาลเดยฮิอุฟฟิลลักุมาคนที่กล่าวกับพ่อแม่ของเขาทั้งสองคนว่าอุฟอุฟอุ ฟ, อ ฟ, อฟเนี่ยเป็นภาษาอาหรับภาษาเราว่ายังไงเวลาที่แสดงอาการไม่พอใจอุฟเนี่ยเป็นเสียง เป็นท่าทางที่เราแสดงความรู้สึกเบื่อไม่พอใจรังเกียจอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้คํานี้ในภาษาของเราอันนี้เขาแปลว่าอะไรเชือ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันแต่เสียงมันใกล้ๆกันนะอออาจจะไม่ได้อุฟเฟนเป็นออกไม่ได้ออกตัวฟาก็ได้แต่อาจจะออกเป็น อ, อันนี้ก็ได้ไนี่แต่ หมายถึงคำพูดที่แสดงออกถึงความความอะไรอะความไม่สนใจความรังเกียจความไม่แยแสอนนี่คือความหมายคำว่าอุฟ้ฟในสุรทุลอิสระอัลลตะาอลาห้ามเด็ดขาดใช่ไหมว่าห้ามกล่าวคำว่าอุฟกับคนเป็นพ่อเป็นแม่มนานะอัลลอฮเพราะฉะนั้นลูกคนนี้ กล่าวกับแม่กับพ่อของตัวเองว่าอุฟฟินและกูมาแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันแล้วก็ไม่เชื่ออุฟไม่เอาสาหรับท่านทั้งสองอุฟฟินละกูมาเชอะอะไรกันพ่อแม่อัตติเดานี่นทั้งสองท่านทั้งสองคนเนี่ยมาขู่ฉันใช่ไหม เวลาที่อันนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่ว่าพ่อเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกอยากจะให้ลูกเป็นคนดีอยากจะให้ลูกอยู่ในคันลองของาศาสนาอยากจะให้ลูกศรัทธาตอนรอดมาอุตตร์ละพอพูดไปนะบางทีเรานึกถึงเวลาที่เรา บ, น บ, น บ, นบน่นบะ่นบ่นนะอย่าบ่นเรื่องหลายๆเรื่องที่เราอบน่ะเวลาที่ลูกเราไม่ยอมทําตามเราบางทีมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมลูกเราแสดงอาการยังไงอันเนี้เห็นภาพเลยถ้า แค่เรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องดุ尼าเรื่องให้ไปกินข้าวเรื่องให้ไปเรียนหนังสือเรื่องให้ไปทำงานเรื่องให้ดูแลตัวเองเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับดุยาเนี่ยไม่เท่าไรแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้แหละน่ากลัวเราบอกเขาอะไรเขาแต่เขากลับมาพูดกับเราว่ามไม่เอาไม่ฟังอะไรอะยังไงอะอัคราตนี่จริงอะไรยังไง ใช่รเรนี่นี่คือความหมายของมันอาจจะด้นี่นี่อันอุครเจทั้งทั้งสองเนี่ยมาบอกว่ามาบอกกับฉันว่าฉันเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วอย่างนั้นหรือเป็นไปได้หรือว่าดัในขณะที่อุ้ยไม่รู้ตายไปกี่กี่ประชาชาติกี่พวกกี่กลุ่มกี่มูกี่กี่เหล่าแล้วก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีใครสักคนกลับมาเลย แล้วเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตรกกะของคนที่ไม่ยอมศรัท ธ, ธาต่อร่องสุภาณาเจ้าแล้วทั้งๆ ท, งที่ทั้งสองคนคนเป็นพ่อแม่เนี่ยพยายามที่จะทําให้มันอะไรนะนําไปสู่การศรัท ธ, ธาต่อ a l l a อ Allah wa akbar ปีน้องครับมีอะไรที่สร้างความหนักใจให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ มากไปกว่าการที่ทั้งสองคนเป็นห่วงว่าลูกตัวเองเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างไรถ้าไม่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานา瓦ตัลลาอันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ศรัทธานะถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่เป็นผู้ศรัทธาต่อละตัลลาจริงๆอัลลอฮ์อยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าเห็นลูกไม่ยอมไม่ยอมเข้าหาศาสนา มันหนัก อ, อกหนักใจยิ่งกว่าลูกไม่มีงานทํามันหนัก อ, อกหนักใจมากกว่ า, านะลูกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มันอ า, อาจจะเลวซามในสังคมนี้แต่ถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยอย่าอัลลอฮฺอัสตะฟุรุลลอฮฺอันนี้เป็นห่วงเป็นห่วงที่สุดหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าว่าแต่ลูกไม่เอาศาสนานลูกเป็นไข้นิดหน่อย ไม่มีอะไรจะกินนิดหน่อยมาละเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเป็นห่วงผมกลัวว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะห่วงลูกแต่เรื่องดุ尼าเตรียมทุกอย่างให้ลูกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดุน尼าแต่ไม่ได้เตรียมสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเวลาที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺซุลกานห์วาตั๋ลาพ่อแม่สองคนนี้ในอ า, ายัดนี้มีความเป็นห่วงลูกของตัวเองที่ไม่ยอมเชื่อฟัง ยอมสัทาต่ออัลลอสุบบะฮฺานลจนกระทั่งนําไปสู่การวะหุมะยาสต์รานิลลทั้งสองคนก็เลยขอดุอาศจากอัลลอสุบบะฮร์ทาลด้วยความรู้สึกเรียกว่าอะไรนะหมดใจด้วยความเป็นห่วงหมดใจเลยอาชัดเดลไรสหมายถึงว่าไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครละ ว, วันสองวันก่อน มีพ่อคนหนึ่งติดต่อมาอันนี้สุภาพนัลอเป็นคนต่างชาติมีลูกอยู่ที่เมืองไทยลูกอายุยี่สิบเป็นวัยรุ่นละผมก็ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ตัวเองเนี่ยมาเมืองไทยไม่ได้อาจจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็มามีลูกที่เมืองไทยอาจจะแต่งงานกับคนไทยเสร็จปุ๊บตัวเองก็อยู่เมืองไทยไม่ได้ต้องกลับไปอยู่บ้าน ก็เลยไม่รู้ไปได้อะไรมาจากไหนติดต่อมาว่าขอให้ช่วย เ, เหมือนกับอะไรนะช่วยดูแลช่วยดะวะช่วยเชิญชวนลูกของเขาเนี่ยให้ให้มาสู่เส้นทางของสวรรค์นหน่อยได้ไหมอัลลอัฺบัดผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรไม่ได้อะไรเลยนะครับ อ, อยู่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะอยู่แถวอื่นอยู่คนละที่กันด้วย สิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าเนี่ยความรู้สึกของคนเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ยวอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาอินหูอัลลอฮ์มาอินหูวะหุมายิสต์กีซานิลลาทั้งสองคนนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ศรัทธาต่อลอสาวตาตอลาเนี่ยวิงวอนขอดุอาต่อลอสาวตาตอลาอย่างสุดซึ้งเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองเนี่ยยอมรับพร้อมกับ พูดสอนเตือนอีกนะครับว่าไวลักอามินอินน่าวะดัลลอฮฺฮะกุนไวลักไวลักเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำอุทานในลักษณะที่เป็นการเตือนอย่างรุนแรงไวไวลุนลิมุทฟฟิฟีนไวลุนลิคุลลฮอมาเจติลลุมะเจ เดิมเดิมแล้วคํานี้เนี่ยเป็นคําเหมือนกับขอให้ประสบหายนะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นการขอดูอาให้ลูกประสบกับความหายนะไม่ใช่เป็นการกระตุน้นกระตุ้นให้กลัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆหมายถึงว่าสิ่งที่เรากําลังพูดกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นน่ะก็เลยต้องใช้คํานี้ไว่ลัไม่ได้ ไม่ได้อย่าทำเป็นล้อเล่นกับเรื่องนี้อามนศรัทธาต่อ a l l a ตจ้าเลออินนาวะดัลลอฮิฮักุนแทจริงแล้สญญอสเ น, นียฝ่า Allah ซุบฮานะวะตะกลานันย่อมจะต้องเป็นจริงเสมอทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายที่ทำได้ก็คือบอกอย่างนี้แหละดูอาต่อ Allah จ้าลอแล้วก็บอกลูก เทาที่สามารถจะบอกได้ฟยักคุลแต่ลูกก็ตอบว่าอย่างไรมาฮาอิลลัสลอวาอิลลาอิลลอลูกตอบกับไปว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังบอกฉันเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องปรำประราเป็นเรื่องโครซาเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงเป็นเรื่องของคนสมัยก่อน เป็นเรื่องของโบราณโบราณมันเป็นไม่มีสมัยสมัยนี้ไม่น่าจะมีแบบนี้สุบทานัลนหรออัลกุรอานนี้ประทานลงมาเมื่อไหร่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วตอนนั้นคนสมัยนั้นพูดถึงอัลกุรอานว่าโอ้ยเป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องอะไรทําให้เรานึกถึงสมัยของเรานี่ยิ่งไปกว่าอีกก็้าใจไหมครับ มีไหมเด็กสมัยนี้เด็กหัวสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อัลลอบดุพออยู่กับอินเทอร์เน็ตพออยู่กับเทคโนโลยีพออยู่กับเริ่มมีเสรีภาพเริ่มไปเอาแนวคิดต่างๆนานาที่มาจากไหนอรารยธรรมวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราตอนนี้เด็กๆแปลกไและเอามาจากสื่อที่เขาดูทุกวันพอเราพูดถึงต้องละมาต้องถือศีลอดถ้าไม่มีพื้นฐานศาสนาที่ดีจริงๆ ความคิดความอ่านของเด็กพวกนี้ถ้าเราไม่เคยใส่มาตั้งแต่เล็กมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่ถูกตเติร์เบียมมาไม่ถูกสอนให้ดีบางทีก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ศา ส, สนาเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ต้องบอกต้องต้องพูดนะครับว่าปัจจุบนันนี้มีลูกหลานมุสลิมบางคนกําลังก็จะกลายเป็นคนที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนไร้ศาสนา เพราะเขามีตัวอยา่างอันนี้เป็นสิ่งเป็นเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหนึ่งันสี่รอกว่าปีมาแล้วที่อายันี้ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีสุลตานละอัลลแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นมีอยู่อีกมีอยู่จริงด้วยและน่าจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยอันเนี้ยถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺอักบัร์ขอดูอาอย่าให้เกิดขึ้นเลยกับลูกหลานเราอ่กับ เชื้อสายวงตระกูลเราถ้ามีนี่อัลลอฮฺอักบัลละอิลละอิลอัลลอฮนักหนาเอาการมากแบบนี้คุยยากมากแต่ถ้ามันไปติดกับไอความคิดแบบนี้แล้วนะครับจริงๆแล้วไอที่ไม่ยอมเชื่อศาสนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะองค์การมุสลิมวง์การอื่นเขามีมานานแล้วในศาสนาคริสต์ในศาสนาพุทธหรือในโลกตะวันตกเนี่ยโอ้โเขามีมานานแล้วแต่หลังๆมานี้มันค่อยๆซึมซับเข้ามาในวงการลูกหลานชาวมุสลิม จริงๆแล้วพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องความเชื่อในเรื่องหลักการเนี่ยมากกว่านะผมคิดว่านะแต่ด้วยความที่พอเราหย่อนยานเพราะเราไม่สนใจการที่ลูกจะได้เรียนศาสนาในวิถีทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เห็นผลว่าสังคมมุสลิมกําลังเปลียดไปละทีละนิดทีละนิดจากความคิดความอ่านที่พวกเขาเอามาจากสื่อต่างๆในยุค ป, ปัจจุบันอัลัยอุบิลลัลฮิมินซาเลก เนี่ยมันก็จะเป็นคำกล่าวแบบนี้แหละมาฮาะอิลล่าอัซาติรุลอวไลลาอิลาฮิลลอฮ์สตอฟุรุลอัลอฮ์วอะตุบิละอัลกุรอานจะเป็นจะเป็นเรื่องประเพณาราอดีตได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอัลกุรอานเนี่ยท่านนาบีสุลทุกคนรู้ดีว่าท่านนาบีอ่านหนังสือไม่ได้ถ้ากล่าวอ้างว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เอามาจาก หนังสือเก่าๆคัมภีร์เก่าๆในอดีตท่านอับดของเราไปอ่านมาหรือก็ในเมื่ออ่านไม่เป็นงั้นก็แสดงว่าไม่ได้เอามาจากคัมภีร์เก่าๆไปเอามาใช้อย่างงก็ได้เมื่ออ่านไม่เป็นเห็นไหมไม่ได้คิดแบบนี้ละอีละอีละหลอกผลลัพธ์ของคนที่ไม่ยอมศรัทธาของลูก ที่ไม่ยอมศรัทธาต่อพ่อแม่ที่เนรคนุณต่อพ่อแม่แบบนี้จะเป็นอย่งางไรอลาอิคลลีนะฮักกลหมุลคอฟีอุมามินคดลตมินกับลิมมินอัลินนอินสอินนมกาคซีรินคนเหล่านี้นะคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ คนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อโลกสุภ า, าอุตตรลาอย่างนี้และไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ของตัวเองที่พยายามจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีที่มีความเชื่อมั่นในโลกสุภ า, าอุตตรลาสุดท้ายจะได้รับผลอย่างไรครับจะต้องอยู่กับบรรดาพวกที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนหน้านี้ใคระมิ n จินเวลอินส์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และก็จินด้วยไม่ว่าจะเป็นจินหรือ มนุษย์ก็จายหมายความว่าในวันอคิรห์เนี่ยคนเหล่านี้จะอยู่กับพวกพวกที่ต้องได้รับการลงโทษจาก l l s h u wa taala นรกจฮันนัมลอบิลละลาฮลลกวตอิลลบิลละความหมายก็คืออุลคัลลีนวจะัอาเหล่านี้จะต้องโดนอาญาการลงโทษจาก ل ه م في أ م มดดต์จากก่อนหน้าจากทั้งทีตั้งเข้าไปอยู่ร่วมกันกับบรรดาชาวนรกทั้งที่เป็นยินและที่เป็นมนุษย์อินนาฮม์แกนูคาสิรนคนเหล่านี้เป็นคนที่ขาดทุนและอิละฮ์อิลขาดทุนในวันอัคยราะนั้นเป็นความขาดทุนที่ไม่มีความขาดทุนใดจะย่าแย่มากไปกว่าการขาดทุนนี้ อีกแล้วนะครับหมดไปนี่คือสภาพที่ตรงกันข้ามกับลูกคนแรกที่ดูอาให้กับพ่อแม่ด้วยดูอาให้กับลูกหลานด้วยในขณะที่ลูกคนที่สองนี้ไม่ยอมศรัทธาต่อ a l l สุ s u b h a n a h วะตะอาลาเลยหลังจากนั้นเป็นยังไงครับอายะห์ที่สิบเก้าบ้างวะลิคุ ล, ลดะราจาตุมมิมมามิลู วะลีวฟี่น <ون> นั่หุมอา عمال หุมวะหุมลาญัลโม่อายต์นีูดถึงความยุติธรรมของอัลลอฮุ س ب ح ا ن แะม้ว่าคนที่เป็นคนดีหรือคนที่เป็นคนชั่วคนที่ได้เข้าสวรรค์หรือคนที่ต้องเข้านารกเนี่ยสวรรค์และนรกไม่ได้มีระดับเดียวคนดีได้เข้าสวรรค์ก็มีระดับ ผชั่วท ok nah uh ี ud, ai, an, ่ต้องตกนรกก็มีระดับของนรกอีกมีคาพูดหนึ่งนะครับของผู้มาแป๊บหนึ่งอับดุลระห์มันเป็นไซด์เป็นอัลเมเป็นคาพูดของอับดุลราะห์มันเป็นไซด์เป็นอัลเมบอกว่ายังไง درجات ุลนาระซุฟลน่าุลจันนทะ ذ ه อัลวันระดับของนรกเนี่ยมันจะ มันไปทางทางขาลงขาดิง่งหมายความว่ายิ่งโดนลงโทษหนักๆจะยิ่งอยู่ต่ําลงไปอันนี้คือระดับของชาวนารกชาวนารกที่โดนการลงโทษที่หนักที่สุดจะอยู่ต่ําสุดที่โดนลงโทษน้อยที่สุดจะอยู่ข้างบนหน่อยว่าจะรอเจอทูอัลล์เนนะว่าะรอเจอทูอัลล์เนนะจะ ذهب ุอุลวนนักหนาที่ ระดับชั้นของชาวสวรรค์นั้นจะยิ่งสูงขึ้นคนที่ได้มีผลบุญน้อยๆอยได้เข้าสวรรค์ก็จะอยู่ชั้นล่างๆแต่คนที่เป็นได้รับผลบุญเยอะๆก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอันนี้คือความหมายของคำว่าวัลิคุลินดรเจตุนมิมงามิลูอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าแต่ละคนจะอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหน สิ่งที่เป็นตัวจำแนกสิ่งที่เป็นตัวชีวิตก็คือมิมามจากสิ่งที่พวกเขากระทำจากสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียาเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วนะครับว่าการทำอาเมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นคําว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่แค่หัวใจแน่นอนว่าการศรัทธามันมาจากหัวใจ แต่มันต้องมีการกระทาประกอบด้วย الذين آمنوا وعملوا ا ل ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องมีการกระทาต้องมีการทาอันรั้นนะครัล ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أ ع ม ا ل ه م وهم ยุ ي ล ل م و และอัลลอจะทาให้พวกเขาได้รับ การตอบแทนอย่างสมบูรณ์หรือว่าเฟียนนะหมายถึงว่าได้รับการตอบแทนอย่างอย่างสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องถ้าเป็นฝั่งที่ได้รับสวรรค์เนี่ยนอกจากจะได้รับเต็มๆแล้วเนี่ยยังเพิ่มเข้าไปอีกอยังเพิ่มเข้าไปอีกในขณะที่การลงโทษเนี่ยจะเท่าเดิมการลงโทษก็คือทำผิดแค่ไหนก็ลงโทษเท่านั้น นี่คือความความดีงานความยุติธรรมของอัลลอฮ์ سبحانه แลาเป็นการสรุปให้เห็นนะครับว่าสองฝั่งจะมีชีวิตอยู่ยังไงฝั่งที่เชื่อฟั่งพ่อแม่กับฝั่งที่ไม่เชื่อฟั่งฝั่งคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ س ب ح ุสาะกับฝั่งที่คนที่ไม่ศรัทธาทั้งสองฝั่งนี้ในโลกดุนยาแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายจะมีความคิดยังไงก็แล้วแต่พอถึงวันอะคระห์คุณหนีไม่พ้น ยี่ไม่ดถึงจะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาว่ามีอัลลอฮ์แต่พอถึงวันอัคยรัตจริงจริงคุณต้องเจอแน่นอนกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นคิดเอาเองว่าจะไปเจอกับัตอัลลาห์ในสภาพไหน والعياذ بالله من ذ ลิไอ้สุดท้ายวันนี้เราจบเร็วน่อยวันเยวมายู عراذ الذين كفروا على النار เอทุม ط ุมใน حياة คุม الدنيا و ا ุม بها ل น ن يوانتي منكون ك ฟคนที่ปฏิเสธสัตต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺทูลลถูกลงโทษในนรกะอิลล allah อัลลลจะถามเขาว่าอย่างไงหรือจะให้มาละอิกถามเขาว่าอย่างไง อหลฮบตุม طيبات uh, ิคุม um, um. พวกเจ้าเนี่ยได้ใช้ทุกอย่างที่เป็นความสุขของพวกเจ้าในโลกดุนยาหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ความสุขนั้นไม่มีอีกแล้วสำหรับชาวนรกเพราะทำไมเพราะเขาใช้หมดแล้วในโลกนี้คนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคคีรอเนี่ยเขาไม่เชื่อ ว, ว่ามีวันอาคคีรอเพราะฉะนั้นชีวิต นี่มีครั้งเดียวจะทำอะไรรีบทำจะจะเสีสุขยังไงรีบเอาให้หมดเอาเขาก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะไอคนที่ไม่มีอัลลอ์คนที่ไม่มีวันอาคีรัตเนี่ยเาใช้ชีวิตวันๆเป็นยังไงใช้ชีวิตวันๆโดยที่ไม่นึกว่าจะมีวันอาคีรัตดังนั้นมีอะไรที่เขาอยากจะตอบสนองต่อตัญหาของตัวเองในโลกโลนี้นี่โอ้โหเอาหมดเลยกวาดหมดเลยสุดท้ายพอถึงวันอาครั พวกเขาก็จะถูกจะถูกคูดอย่างนี้แหละ อ, อัฮับตุมตยบิคุมฟิฮยิคุมอุดุนพวกเจ้าใช้หมดแล้วไอสิ่งที่เป็นความสุขความสำราญเนี่ยกินใช้จนหมดแล้วในโลกดุเนยียเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอีกแล้วอัฮับตุมตยบิคุมฟิฮยิคุมอุดุนวสตัมตตุมบิฮโอตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนียนั้น มีความสุขตอบสนองต่อความต้องการทุกรูปแบบแฟเยม่จุดเจ้เลูเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะได้รับผลตอบแทนเป็นการลงโทษที่ต่ำต้อยการลงโทษที่ทำให้เจ้าอัปยศตกต่ำการลงโทษเนี่ยมันจะสอดคล้องกับพฤติกรรม ถ้าในโลกดุนยาเราใช้ชีวิตอยู่อย่างไรแต่ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยโอ้โห โ, โ, โดยการเออแต่ a l l a บอกเองนี้บีมาคุนตุมเตสต์บายายิรุณะฟิลอาร์บิไกร์อัลฮะตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานั้นใช้ชีวิตด้วยความยโสโอหัง oh บนหน้าแผ่นดินทาตัวอดเก่งอดดีกับ คำสั่งสอนของอัลลอฮฺสุบานุรรตาละกับคำ ต, ตักเตือนของอัลลอฮละไม่ยอมเชื่อฟังสิ่งที่ท่านนาบีสุลต์ละฮ์มาพูดมาเล่าให้ฟังมาดะาวะ่าผลของการมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับการลงโทษในวันอัคคีระห์ถ้าในโลกดุนยาใช้ชีวิตแบบตะกับปร์ในวันอัคคี ร, ระห์อัลลอฮละจะทําให้อภัยโทษเป็นสาเหตุสองอย่างที่ทําให้ต้องได้รับการลงโทษที่ตับ ที่ต่ำต้อยและเกิดความอัปยศในวันอาคิระฮ์อัลอิสติกบาร์หมายถึงความความยโสเนี่ยมันเป็นบาปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกคนเราเวลาที่หัวใจะยะโสมันมันมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างเดียวนะข้างในเนี่ยมันเป็นความรู้สึกออกมาจากข้างในที่โอ้อวดที่เบ่ง ในขณะที่บว่บีมาคุณทุมตักษะคุณฟาสิกเนี่ยเป็นดัมบุลจาวาระเป็นความผิดที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายนอกเอาล่ะจะเอาอะไรมาก่อนเอาบาปแบบไหนมาก่อนบีมาคุณทุมแตสตัคบรูนในิ่อ๊อฟดิไกรลพักเอาบาปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจมาก่อนแล้วตามหลังด้วยบาปที่เกี่ยวข้องกับ อวัยวะในร่าง อ, อวัยวะภายนอกเพราะว่าหัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดหัวใจสำคัญที่สุดและอันตรายที่สุดสำคัญที่สุดในแง่ที่เราต้องดูแลให้มันดีที่สุดถ้าหัวใจดีความคิดก็ดีอวัยวะก็จะดีตามไปด้วยนั่นแหละที่ต้องดูแลหัวใจด้วยอิมานด้วยตั ก, กวาแต่ถ้าหัวใจสกปรก หัวใจโศกโครกหัวใจไม่มีความศรัทธาต่อลอสุบฮานอวะจัอาละสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างอื่นมันก็มันก็จะเลวตามไปด้วยวัลัยอาบุบิลล่าเมญซาลิกพี่น้องครับอายันี้เนี่ยมีรายงานว่าท่านอุมารอิมุลคอตตบนี่จะบอกว่าชาวสลักบรรดาสัฮาบเนี่ว่ละที่เขาอ่านอัลกุรอานเนี่ยเขาพยายามจะเอามาใช้กับตัวเอง พยายามที่จะถอดบทเรียนเอามาใช้กับตัวเองอุมารอินุลขัตตาบท่านอุมารอินุลขัตตาบรับดิอลลอฮุอาลัยท่านใช้อายัดนี้กับตัวเองอยังไงพวกเราทราบไหมอุมารเนี่ยเวลาที่ท่านกินท่านดื่มเนี่ยท่านพยายามจะหลีกเลี่ยงของกินที่มันดีๆเข้าใจไหมครับเพราะอะไร อยอุม yeah, um yeah. yeah, ัเนี่ยพูดว่ายังไงนะดูว um ่าข um ้อจวรร์อัมีรุลมุเอมินีอุมารุบลขัตตบ์รดิยัลลอฮุะะนุอัน كثير من طيبات المأكال والمشارب وتنزها ع ن ا อุมารนี่เป็นใครเป็นอัมีรุลมุเอมินีตำแหน่งเหมือนใครผู้นำประเทศอะเป็นถึง ท้าเทียบก็คือเป็นประธานอธิบดีเป็นกษัตริย์ของรัฐอิสลามในสมัยนั้นแต่เวลาที่ท่านนอนท่านนอนยังไงนอนนอนพักผ่อนเวลากลางวันน่ะกลางวันน่ะมีทูตเปอร์เซียเข้ามาในเมืองมาดินะแล้วก็มาหาท่านอมมาไปเจอคนก็ชี้ว่าน่ะนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไปหาสิ ไปหาอเรุมุมินินปรากฏว่าอุมัดนอนอยู่เอารองเท้ามาหนุนเป็นเป็นหมอนนี่คือประธานาธิบดีแห่งเมืองมา น, นีนะนะปกติแล้วคนที่อยู่ในระดับนี้โอ้โหเวลาจัดอาหารเวลาอะไรนี่จะยังไงต้องมีให้ครบต้องมีทุกอย่างใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดในแง่ของการที่แบบว่า ให้มันเหมาะสมกับตาแหน่งหรือเวลาที่ต้อนรับแขกหรืออะไรก็ตามแต่อมุมารไม่สนใจเรื่องพวกนี้สุภาพนัลลมีความยุติธรรมมีความหนักแน่นในการดูแลประชาชนอย่าว่าแต่ประชาชนเลยแม้กระทั่งแพะตัวหนึ่งอูดตัวหนึ่งลูกอูดตัวหนึ่งที่ตกน้ำในแม่น้ำเนี่ยท่านก็กลัวว่าจะโดนสอบสวนจากอัลลอฮ์ س ب ح ا ะเพราะฉะนั้น ท่นใช้ชีวิตอย่างนี้เลยเอาอายนี้มาใช้แล้วอย่แลลบอกว่ายงไงอินนีอัคคอันอูนัคลีน่ากาวละล้ลาอว่อย่งไงอินีอัออันอคนี่ากล่าวะแล้วอุะบอกว่าอยอินนีอัคคันอคูนัคท์ละดี่ากล่าวละแล้วอุลอกว่าอยาอินนีอัคออันอิูนนา้วอวย่างินนีคันอะีวล้อ่อย่างไงนีัน เพราะฉันกลัวว่าฉ ah> ันจะเป็นเหมือนกับบรรดาคนที่อัลลุบฮานวตอัลตรัสเอาไว้ในอายัดนี้อัลลอฮฺรับหิมอัลอฮริมลฮลัลลอฮนะอามีรลมุอมินนอุมรอินลตตบดยัลลอฮอัอลลอฮะูบอิลิชาเข้ารืยังยังไม่เข้าที่ิชาช้าในช่วงนี้ สองทุมสนะที <laughs> ยังมีเวลาอีกเราอ่านจบแล้วโอเคเอาัมดีล้และนี่นะครับเฉพาะวันนี้ก็แล้วกันอาเถับจุมตยบมนี่จริงๆแล้วเอาเรื่องกิรออ่นนิดหนึ่งมีวิธีการอ่านสองแบบว <laughs> ันเย่มื่ออยรอดุ่ล้วีนักฟารูอัลนารอั้นับทุมตยีบทีมีมีการอ่านสองแบบ وهذا ลัก قرأه ابن كثير وابن عامر أ أ ذ ه, ه, ة ب م م ة ت ي م مي Hamza สองตัวเป็นการอของ ابن ك ซกับ ا ن عامر นะมี h a สองตัวเวลาที่มิ Hamza สองตัวเนี่ย Hamza ตัวแรกเป็น harful istiham เป็นเครื่องหมายในการตั้งคาถามอ أ ذ ب ت ه م เวลาแปลก็ต้องแปลว่าพวกเจ้าไม่ได้ใช้ ความสุขสำราญจนหมดแล้วไม่ใช่หรื อ, อต้องมีคำว่าไม่ใช่หรืออยู่ด้วยถ้ามีคำสะหอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอัลจุมฮูรโอละมกิรออ่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่านเป็นคำสะแค่ตัวเดียวเหมือนกับที่เราเห็นในมุสลัฟของเรานะครับอ่านว่าอัฮับตุมัยบา ت ิคุมใน ح ي ا ที่คุณมุดดุนียนะครับอินชาอัลลอฮจบแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อน เรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องต่อไปจะเป็นการพูดถึงอัลกออฟละตามชื่อของสุรล์ละหลังจากที่อัลลอสุบไบาลตพูดถึงด่าว่าของท่านนบมีมุฮัมมัดสุ ล, ล, ส ล, ลในตอนต้นแล้วก็เอาการเปรียบเทียบลูกกับพ่อแม่ในช่วงกลางของสุร์ในช่วงสุดท้ายของสุรชเนี่ยจะเป็นการยกตัวอย่างกลุ่มชน ที่ทรยศต่อลอสสุภาณาวาอาลาจนสุดท้ายคนเหล่านั้นต้องเจอกับการลงโทษอะไรบ้างนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นบทเรียนอย่างไรก็ว่าไปนะครับพี่อลอสสุภาณาลาฝาพี่น้องได้กลับไปทบทวนนะครับสุรตุลอ ก, กอกด้วยและอย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดสถานการณ์โควิด19กก็ยังคงน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอพี่น้องที่อยู่ทางทางทางช่วงอตอนล่างนะครับสุภาพนัลล่นอหละอันนี้ก็เรากลัวจะเป็นเหมือนกับอายันที่เราอ่านวันนี้ไม่ยอมเชื่อเหมือนเหมือนกับไม่ยอมเชื่อแบบนี้ ก, ก็ก็มีเหมือนกันนะพยายามที่จะบอกให้ระวงังพยายามที่จะบอกให้ป้องกันแต่บางคนก็ยังไม่ยอมเชื่ออุ๊ฟฟิน ล, ละกุมาเหมือนกัน น, นี่อันนี้เราก็อยากจะสื่อสารไปว่า บางทีนะครับอย่าอย่าฟังพวกข่าวโลว์ข่าลือมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ยอมรักษาไม่ยอมรับการป้องกันหรืออะไรแบบอย่าให้มีแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงไอ้โควิดมันมีอยู่จริงระบาดระบาดจริงๆตายก็ตายตายจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้มโนโจินตนาการของเราจนเราไม่ยอมที่จะ ใช้มาต ร, ราการตามที่บรรดาทีมคุณหมอซึ่งเขา ต, ต้องต้องส่งกำลังใจไปนะครับหมอหน่าสงสารมากช่วงนี้มองดูแลทั้งคนป่วยปกติตั้งดูแลทั้งบางโรงพยาบาลตอนนี้ล้นไม่มีเตียงอีกแล้วสำหรับรับผู้ป่วยโควิดนะครับช่วยๆกันขอดุอาเราที่ฝ่าฟันมาค่อนข้างเยอะในจังหวัดเราเนี่ยเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเนี่ยเราเห็นใจนะครับแล้วก็ขอดุอาให้กับ หลายหลายคนที่ยังคงอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ เ, เราเองก็ไม่รู้นะครับเหลือเวลาอีกกี่อาทิตย์กี่สัปดาห์กี่วัน่ะวันนี้ยี่สิบยี่สิบสี่เหลื อ, เ, อเวลาอีกแค่หกวันเออหกวันนะหนึ่งกรกฎาจะเปิดเมืองแล้วมีข่าวว่าจะมีไฟล์บินจะลงมาแล้วก็วัลลอหัวอาลัมเช่นเดียวกันต้องระวังตัวด้วยนะครับได้ข่าวว่าไอ้วรัสเองตอนนี้มันก็ออกลูกออกหลานเป็นสายพันธุ์นั้น อะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายฟังแล้วมนหัวไปหมดเดลต้าเบลเดลต้าอัลฟากมมาละ ح ل ول و بالله ا ل ل ه ذ ك من ا ل و ا ل ج و ن و ا ل ج و ا ل أ ا ل ل ه ا ل ل ا و ا ل و م ن ا ل أ ص ر ح م ة ر ح ا ل ر م الله ا ل عالم ف ق ف ا ل ل ه ك م يحب ر ض ح. صل ลล ل ลลอฮุอะลัยฮิสซาบิห ص ح ب ีแ س ل ส سبحان ر ลลอฮฺรับบีรับบ ف, ف و ن والسلام على ا ل م ิ س ل ي ن الحم ั ل ل ه ัลัลมุสัลีน ل ลัมรับบีละัลัมีนัลส